ใช่ไหมที่ขําเน้นคําว่านา ม, มาทำํำแปลว่าทําไมวัตถุแค่นั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยแก่ท่านได้มากมายเยอะแยะแต่ท่านไม่ได้ทาแค่นั้นแน่นอนเป็นต้นใช่ไหมแต่จากจากตัววัตถุแค่นั้นเนี่ยทำไมท่านท่านเอาไปกระทบกับคุณของใครนั้นความเข้าใจและอย่างหนึ่งก็คือทําไมเจตนาที่เกิดขึ้นในใจของท่านที่เป็นทั้งปุพพะเจตนามูญจาและอประเจตนาทั้งที่เป็นทิฏฐาธรรมะ เวทนิยกรรมอุปเชา้าเวทนิยกรรมอัปราภาละเวทนิยกรรมอย่าลืมนะว่าปริมาณของชาวนะเนี่ยนะทั้งที่เป็นชาวนะดวงที่หนึ่งถึงดวงที่เจ็ดเนี่ยเขามีผลนะฉะนั้นเจตนาในชาวนะเหล่านั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นนะ่ยในกระแสชีวิตในกระแสขันของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ปารบวัตถุเห็นการให้นั่นแหละถามว่ามองมองตัวกรรมเนี่ยตัวกรรมจริงๆเป็นตัวนามธรรมใช่ไหม ตัวบุญจริงๆเป็นตัวนามธรรมามันหมายถึงตัวเจตนาตัวกุศลกรรมอ่ะเพราะบุญศัพท์นี้เป็นเครื่องชําระจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองอเครื่องเศร้าหมองของใจคือมวลทินแห่งใจทานกุศลต้องไปทําลายคือความตนีคือความโลภอโลมณะต้องเด่นขึ้นสิอโทสะต้องเด่นขึ้นเพราะความตนีมันถูกทุบไปความไม่โกรธก็เด่นขึ้นแต่จริงๆท่านขับเน้นว่า ถ้าเป็นสัมปชาน a ทานรู้เข้าใจกรรมและรู้เข้าใจผลของการกระทำทีนี้พอรู้เข้าใจกรรมรู้เข้าใจผลของการมาทำขับเน้นที่นามมาทำก่อนถามว่าถ้าขับเน้นนามมารมโดยตรงตัวกุศ ล, ลกรรมเป็นนามเจตนาที่เป็นกุศลเป็นนามวิบากของผลของกุศลก็ต้องเป็นนามเหมือนกันใช่ไหม พอรู้อย่างนี้แปลว่าเอ้าการให้ผลของตรงกันนี่นะเหตุเหตุเป็นนามผลเป็นนามนี่นะก็เลยกลายเป็นจักขุวิญญาณที่เป็นกุศลไงโสตวิญญาณที่เป็นผลของกุศลไงคาณาวิญญาณที่เป็นผลของกุศลไงชิวหาวิญญาณที่เป็นผลของกุศลไหมกายะวิญญาณที่เป็นผลของกุศลสัมปติชนะที่เป็นผลของกุศลสันติระนะที่เป็นผลของกุศล ตถารมนาที่เป็นผลของกุศลและผลของกุศลไม่ใช่มีแค่นั้นเนี่ยรูปกุศลห้าอารูปกุศลสใช่ไหมตลอดถึงผลน่ยผลและจิตเนี่ยอันนี้เราก็ขับเน้นดูนามธรรมาเหล่านี้ต่างๆถามว่ามีพวกทานาเจตนาที่เป็นไปในกกุศลใช่ไหมเพราะท่านบอกว่าธรรมชาติของกุศลเนี่ยให้ผล มากกว่าตนและเป็นเบื้องต้นของฌานอภิน ญ, ญามรกและผลใช่ไมเกี่ยวกับนามธรรมา ท, ทั้งหมดเลยใช่หัหยเนี่ยอันนี้คือเหตุเป็นวิบากเอยเหตุเป็นนามธรรมาวิบากจริงๆต้องเป็นนามธรรมาแต่ส่วนรูปธรรม ท, ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้มานั้นเขาเรียกผลก็ไมไ่เรียกวิบากไมไ่เรียกวิบากาธรรมมาเขาเรียกผลจากขูปศ า, ศาศสาทโสตาสตรคณะศาสตพวกกลุ่มกรร ม, มชรูป และก็สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ที่เป็นกลุ่มรูปธรรมทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ถ้าจ่ายังอันนั้นคือกลุ่มรูปธรรมทั้งหลายถ้าเราจะมองผลของบุญให้ตลอดสายที่เป็นปรมัตถธรรมนก็มองสภาพของผลที่เป็นวิบากทั้งหมดที่จะได้ที่ดีเลิศเลิศระดับมหาวิบากนะระดับอาเหตุตุกขวิบากระดับมหาวิบาก ระดับรูปวิบากระดับอารูปวิบากระดับโล ก, กุตรวิบากเห็นไหมเนี่ยอันนี้นี่มองเห็นเหตุแล้วมองเห็นผลที่เป็นกลุ่มสภาวธรรมแต่ถ้ากลุ่มของแม้ในสภาวธรรมที่เป็นวิบากแล้วก็มีกลุ่มรูปธรรมอะไรก็ว่าไปแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้ก็คือบัญญัติใช่ไหมบัญญัติบุคคลเช่นเป็นมนุษย์เห็นไหมผลเราก็ะบอกเป็นมนุษย์ไง ก็ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นเทวดาก็ได้สิ่งแวดล้อมที่เลิศแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ได้สิ่งแวดล้อมที่เลิศเป็นพรมก็ได้สิ่งแวดล้อมที่เลิศเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลของได้บัญญัติที่ดีได้บัญญัติที่เลิศถามว่ากรณีแห่งการเชื่อมโยงอีกมุมหนึ่งเป้าหมายที่ถามมาคือเมื่อกี้คืออะไรนะ ทีนี้ใช่เป้าหมายเป้าหมายหลักอันนี้วัตถุใช่ไหมเนี่ยวัตถุวัตถุก็ตั้งอยู่เฉยๆอย่อเงนี้วัตถุเป็นอภิาการธรรมไมเ ป, เป็นบุญได้ไห ม, ไมไเป็นบาปได้ไมเนี่ย ไม่ใช่กุศลาธรรมมาไม่ใช่กุศลาธรรมมาเลยเนี่ยเป็นอัพญญาคตาธรรมมาเออเป็นอัพยากตาธรรมม า, า, า, มาจริงไหมยมสวรรค์จริงไหมเนี่ยไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเนี่ยแต่คนที่เป็นบัณฑิตทําให้บุญเกิดได้เพราะวัตถุชิ้นนี้คนที่เป็นคนพานทําให้บาปเกิดได้เพราะวัตถุชิ้นนี้เขา้าใจอย่างเดียนี้มันจะมีอะไรเนี่ยก็คือสีก็คือเสียงกลิ่นรสสัมผัส แต่มันมีอิทธิพลกับเราเพราะบัญญัติไงเพราะเป็นยันต์บัญยัติว่าเป็นกล่องแว่นก็ให้โอ้โหชื่นใจใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยพอเห็นเป็นกล่องแว่นขึ้นมามันชื่นใจใหญ่เลยเนี่ยถ้าดรอกอร์ดาเห็นเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์แล้วมันจะเป็นยังไง ม, มันจะไปต่างอะไรกับวัตถุที่อยู่เดินเดินเหยียบอยู่แล้วจะต่างอะไรกับพื้นแผ่นดินใช่ไหมนมามธรรม เน้นนานมาทำเพราะอโลพะต้องเด่นถึงจะไม่ติดข้องวัตถุชิ้นนี้ถ้าอโลพะไม่เด่นไม่ออกมาทำงานไม่แข็งแกร่งจริงๆมันก็ยึดติดอยู่ดีแล้วอะไรคือความสำเร็จต้องทานกุศลเอโลพะเด่นอย่างเดียวพอไหมเป้าหมายเพื่อไปกระทุ้งปัญญาให้เข้าใจว่ากรรมนะที่คุณทำไปเนี่ย แล้วมีปัญญาประกอบให้ได้นะต้องเป็นสัมปชาน a ทานนะไม่ใช่เป็นอสัมปชาน a ทานนะซึ่งไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรมเลยคุณจะเสียหายมองเห็นชัดไหมนั้นต้องเป็นสัมปชาน a ทานไม่ใช่เป็นอสัมปชาน a ทานต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมแล้วต้องเด่นชัดกรรมเราจะเห็นทุกทุกขณะของกุศล คำว่าทุกขนาดเนี่ยที่สติสัมปชัญญะเราแก่ก้าเนะยตามปริมาณแต่ละบุคคลนะไม่ใช่ทุกขณะจิตทุกขนาที่คิดได้แล้วคิดได้ถี่ขึ้นแล้วความชัดเจนมากขึ้นประมวลกุศลได้มากขึ้นปริมาณกลุ่มของกุศลที่เป็นปุพพะเจตนาหน า, น า, นานแน่นขึ้นไม่ใช่ว่าจะไปให้ทานน่ยยังไม่ได้ใรขรควรอะไรเลยเพราะไปเอาไปจวบเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยเลยเนี่ยอันนี้พลาดไหม ปอบพระเจตนาไม่แข็งแรงเลยอะไปทำอะไรอยู่ปอบพระเจตนาใช่ไหมบังให้เป็นทานทานตนทานโอ้โหต้องต้องใช้ความเข้าใจถามว่าทานเนี่ยนะ บางท่านใช้เวลาใครควรเป็นปีบางคนเนี่ยต้องคิดทานกุศลเป็นปีนะเป็นปีปนปสองปีสมปีมีบางคนเนี่ยปรารถนาจะเจริญทานกุศลชิ้นหนึ่งต้องใช้เวลาเก็บเงินอยู่สิปีนั่นแหละเขาประมวลความเข้าใจเขาขนาดไหนต้องคิดตลอด หเม็ดเงินแต่ละเม็ดกว่าจะได้เพื่อเขาจะต้องไปเจริญกุศลหนึง่งอันนี้แปลว่าไงไหมเนี่ยแต่เขาไม่ได้แต่เพราะเขาไม่มีข้อมูลมากไงถ้าบางคนก็มีข้อมูลมากเขาคิดเยอะเยอะกว่านั้นเยอะครับคิดว่าพวกพุทธศาสนาท่านคิดท่านตลอดเวลาไหมเห็น ไ, ไหมตึงใช้คําว่าเจตนาโยธาทานไงเป็นกองทัพเลยโยม ย่ส่วนเป็นกองทัพทานในกุศล น, นั่นท่านนึงขับเน้นระดมแรงมากเห็นไหมท่านจะคิดตลอดว่าท่านจะให้ท่านจะให้คิดจนสามารถความคิดของท่านยิ่งใหญ่จนเทวดาร้อนเราเคยขนาดนั้นไหมนะคิดจนว่าอาสนะของเท้าสกะอยู่ไม่ได้อะนั่นแหะปริมาณดูอุปนิสัยประัยสิมีกําลังไหม คิดจนจนเทวดาทนไม่ได้เราจะต้องไปให้พระบรธิษัทได้ทานนกุศลอย่างยิ่งใหญ่แล้วนี่ไงเราจะได้เห็นชัดเลยว่าจริงๆแล้วกลุ่มเจตนาแล้วอ่อนแอใช่ไหมที่อ่อนแอเนี่ยอย่าไปน้อยใจนะว่าเพราะเราไม่ได้ถูกปลุกเร้าให้ให้เจริญทานแบบนี้กันมา เราก็ได้แต่อ่ะเอาใครม า, อาโอเคเอาช่วยกันไปโอ้น้าสงสารแล้วก็ลืมไปไหมแล้วก็ลืมปะ่านปะแล้วทำกันมาตั้งเยอะแยะวัตถุเกลื่อนไปหมดแล้วตอนนี้ดูวัตถุที่เกลื่อนไปหมดแล้วแต่แล้วเจตานาที่เป็นกุศลเราแข็งแรงขึ้นไหมกลายเป็นวัตถุนิยมหมดแล้วเนี่ยใช่ไมกลายเป็นวัตถุนิยมไปหมดแล้ว แล้วทานกุศลหายไปไหนทําไมอ่อนแอจางทําไมยังยึดติดกันขนาดนั้นมองเห็นได้อย่างตรงเนี้ว่าทานกุศลของเราไม่แข็งแรงเพราะขาดปุปพพะเจตนาเป็นต้นถ้านะวันใดวันหนึ่งเราคิดได้เจนปุปพพะเจตนาแข็งแรงเป็นต้นมุนจ่าเจตนาแล ะ, ะเจตนาดีแล้วเนะี แค่ชิ้นมีพระรูปหนึ่งท่านไปซักผ้าผ้าเช็ดแว่นผ้าเช็ดแว่นเนี่ยเพื่อจะบริจาคทานน้ําตาไหลอยู่นี่แหละนี่มันขึ้นแล้วทานกุศลนันขึ้นหมดแล้วปาโมดปีติปสัสส thi ความสุขมันเกิดประดับจิตได้พร้อมที่จะไปนั่งมณสิการเดินทานกุศลเข้าสู่ศีลเข้าสู่สมาธิประดับ สมาธของท่านได้แล้วใช่งนี้รับ เข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าตรงนั้นแหละที่บ่งบอกว่ามันต้องมีวัตถุให้ก่อนมันยังอ่อนแอหน่อยเข้าใจยังแต่นี้แค่คิดดำหลีจาวัตถุเนี่ยก็ปลุกเลาแล้วเพราะพระเนี่ยต้องนอนคิดตีสี่ ตรึกแล้วถ้าท่านจะบำเพ็ญ้านเนี่ยนะบางคนตื่นทีสามก็ตรึกแล้วค่ควรปุบพาเจตนาในการที่จะเดินไปบินระบาต ท, ที่ไหนตายไหนได้อาหารมาจะถวายแก่สงข่ยอย่ะประมวลแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะค่ควรนั่งค่ควรตรึกเป็นเป็นจาขาใช่ไหม เป็นเป็นปุพาเจตนาปรุงแต่งให้กรดแล้วก็เดินเดินไปปรุงแต่งด้วยไหมปรุงแต่งด้วยไหมยืนรอปรุงแต่งไหมได้าหารไปแล้วชื่นใจไหมปลาโมดไหมได้แต่ละชิ้นเนียน้อมถึงสงเลยไหมยังไม่ทันให้หมดเลยนะเนี่ยปุพาทั้งนั้นน่ยก็เหมือนเราไงไปทำอาหารไงไปตลาดไงก็จะได้มาแต่ละชิ้นไงซอยไงหั่นไง ทำไงทำไปสิอย่าไปทำแต่กายอย่าไปทำแต่วาจาใจเนะี่ยต้องปรุงแต่งใข้ควรจะได้แข็งแรงปุพหะเจตนาไม่แข็งแรงมุลจ่าจอ่อนแอนะเพราะเราเข้าใจกรรมไงเพราะกรรมคือเจตนาที่เป็นไปกับกุศลอยไหมเป็นไปกับกุศลวัตถุนั้นมันจะต้องคิดได้สามการใช่ไหมอดีตอนาคตปัจจุบันใช่ม ต้องชัดใช่ไหมต้องเข้าใจเข้าใจสามการทีนี้ตัวมุนจากเจตนาจริงๆมันสั้นสาหรับพวกเราเนี่ยมันสั้นถ้าเราไม่เข้าไม่เข้าใจปุพพะเจตนาเสื้มุนจากเจตนาแวบเดียวนะแวบเดียวนอกนั้นกลายเป็นอบ布拉ละเจตนาร拉布拉เจตนาไปแล้วนะนั้นต้องต้องชัดเจนเนาะสามการต้องไล่ให้ดีต้องไล่ให้ดีต้องเข้าใจให้ดีที้งนั้นถังบอกว่า ต่อไปเนี่ยขนาดวัตถุทานยังไม่เห็นก็เกิดได้แล้ววางเป้าหมายในอนาคตยังเกิดได้แล้วกุศลเห็นยิ่งเกิดได้ใช่ไยิ่งไปสละยิ่งชัดเจนอะไรก็แล้วว่าไปเนี่ ย, น, ยนี่ไงกุศลเกิดง่ายหรือยังทตเนี้ยง่ายอ่อนโยนนี่ยังจิตฝึกหรือยังจิตถูกฝึกหรือยังต่อไปเพื่อจะเป็นอุปการะประดับศีลสมาธิปัญญาหรือยัง เนี่ยเจตนาทานหรือกลุ่มกลุ่มของกุศลธรรมเป้าหมายทั้งหมดเพื่อศรัทธาสติเฮลิโอตปาอโะโรพาอะโทศาสตัตราเมชตาใช่ไหมเป้าหมายจริงๆคือกลุ่มนามธรรมเหล่านี้ใช่ไหมโยมโยมดูมที่สละวัตุทั้งหลายในพุทธโสภณะจิตโสภณะจเจรสิกใช่ไหมใช่ไห ม, มเป้าหมายคือตรงนี้แล้วเป้าหมายหลักเลยคือต้องดึงกลุ่มอัญญาสมาณนะมาอยู่ในกลุ่มของกุศลให้ได้ เพราะอัญเชษมานะไปอยู่ฝ่ายอากุศลมานานแล้วในสังสารวัตรนี้เป้าหมายคือตรงนี้เราไม่ฝึกไม่ขัดต้องเอาเขามาอบรมก็อเอาเจตนามาอบรมเอาผรรษาเวทนาสัญญาเจตนาเอากขะคตาชีวิตินสีมณสิการเอามาอบรมเอามาอยู่กับศรัทธาให้ได้ซึ่งเราพ่ายแพ้มาตลอดโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคน แต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็เดินไปสิเดินไปดูเหมือนดีอ่านตำราอ่านไปสิมีวัตถุแล้วเนี่ยมีวัตถุแล้วใช่ไหมเนี่ยเนีย่ยมีตำราอ่านอ่านไปสินี่นะอ่านบอกว่าศีลบอกว่า พระองค์ตรัสเรื่องศีลต่อจากทานผู้ให้ทานย่อมสามารถรักษาศีลได้อีกอย่างหนึ่งพระองค์ตรัสเรื่องทานก่อนเพราะเกี่ยวข้องกับชนส่วนใหญ่ทําได้ง่ายโดยความเป็นอุบายและเป็นเบื้องต้นแห่งความดํารงมั่นในศีลเป็นต้นอะไเนี่ยอ่านไปด้แล้วถ้าอ่านแล้วเป้าหมายคือกุศลไม่เกิดอ่านทําไมถามอ่านทําไมถ้าอ่านแล้วมันได้อกุศลอ่านทําไม ใช่ไหมก็เราไปนั่งทําบาปสิเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะเป้าหมายจริงๆต้องทั้งหมดที่ทํากันเนี่ยต้องให้กุศลเดินเนีแล้วต้องแข็งแรงจริงไหมโยมต้องต้องการให้กุศลเกิดแล้วต้องรู้จักบุญจากบาปรู้จักกรรมผลของกรรมทุกขณะทํากรรมไหมเนี่ยกุศลกรรมกำลังเดินอยู่ไหมใช่ไหมกําลังเกิด แล้วรู้ตัวบ่อยไหมออแล้วรู้ไหมตอนนี้กำลังรับผลของกรรมอยู่<ด>แล้วกำลังทำกรรมอยู่<ด>แล้วเป็นบุญหรือเป็นบาปรู้ไหมตอนนี้ผลของบุญหรือบ า, บาปให้ผ ล, ลผลของบุญอยู่ใช่ไหมแล้วถามว่าการรู้แบบนี้บ่อยไห ม, ไมเนี่ยคือจุดผิดพลาดจุดผิดพลาดของการดำรงชีวิตต้องรู้ตลอดว่าตอนนี้ ผลของบุญให้ผลหรือผลของบาปให้ผลอยู่และตอนนี้กําลังเจริญกุศลหรืออกุศลอยู่ต้องเข้าใจเหตุผลเหตุผลเหตุผลอย่างนี้ให้ชัดในชีวิตจริงต้องเข้าใจให้ชัดเพราะเป้าหมายการเจริญทานกุศลศีลกุศลเคือเข้าใจกรรมที่จริงเนีเวลาพูดกรรมพูดพูดทานนกุศลศีลกุศลต้องเชื่อมลงกรรมอยู่เงี้ยนะต้องตลอดเงี้ยนะอย่างเราเเนี่ยต้องฝึกกันอยู่อย่างเงี้ย ปลืองอย่างเงี้ยจนเข้าใจจริงๆว่าโอ้เนี่ยงไงทากรรมทุกขณะรับผลของกรรมทุกขณะอยู่เนี่ยนะกำลังทํากรรมทุกขณะรับผลของกรรมทุกขณะอยู่เนี่ยนะทำว่าขณะ น, นี้นี่คือสํานวนคําพูดนะีต้องเข้าใจนะว่าเอาไ อ, าอา้ผลก็รับเหตุใหม่ก็ทําต่อไอ้ตรงเนี้ยลองคิดดูทีแล้วแล้วต้องรู้ตลอดสายไหมว่าตอนนี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นกุศลประเภททานหรือประเภทศีลหรือประเภทภาวนามันต้องรู้ แล้วต้องมองให้ตลอดสายเหมือนเราไปนั่งรถเนี่ยลงไปข้างล่างปุป๊บเรียกล็รถแท็กซี่ปุป๊บยิ้มได้ไหมว่าจะต้องไปถึงบ้านมองออกไหมมองไหมว่าเราไปขับรถมองออกไหมจะต้องไปถึงบ้านใช่ไหมไม่ใช่เราคิดได้เลยไหมไปถึงบ้านใช่ไหมทําไมมองได้ตลอดสายว่าจะไปเส้นทางนั้นเส้นทางนี้ละ่ะทําไมมองได้ละ่ะอันนี้แปลว่าเข้าใจอนาคต แล้วเหตุที่ทำกันปัจจุบันเนี่ยเข้าใจอนาคตไม่ว่าจะได้อะไรเนี่ยเข้าใจไหมใช่ไห ม, มเอาบาปบุญที่กาลังเกิดอยู่เนี่ยมองอนาคตออกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผลของผลของบาปให้ผลความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นถ้าผลของบุญให้ผลความความสดชื่นจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มองเห็นและเป็นบุญที่เป็นวัตคามินีหรือวิวัตคามินีก็ต้องเข้าใจใช่ไหมสัมปชานะทานเป็นต้นมันต้องชัดไหม ต้องเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมและในบรรดากรรมนั้นเป็นกรรมที่เป็นไปในวั ต, ตะลื้นเดินไปเพื่อวิวัฏฏะให้ทานกศุศลในใจน้อมไปเพื่อวัตะหรือน้อมไปเพื่อเวทตะนี่ตอบได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอ้อทีจริงเวลาเกิดขึ้นจริงๆฮะ อยู่ที่การฝึกอยู่ๆให้รู้ปุ๊บยากให้รู้ปั๊บเนี่ยยากคำถามเนะี่ยถามได้แต่คำตอบต้องบอกว่าต้องฝึกให้เป็นวิธีฝึกใช่ไหมวิธีฝึกเพราะว่ากรณีแห่งการที่จะให้บุญปุ๊บเกิดปั๊เกิดนี่แปลว่าพูดถึงคนชำนาญพูดถึงคนชำนาญใช่ไหมแล้วคนชำนาญคนคนคนชำนาญคนนั้นต้องต้องมีการ ศึกษาและการปฏิบัติมาเป็นอย่างดีด้วยศึกษาปฏิบัติต้องดีด้วยเพราะอะไรเพราะความเผลอเลยใช่ไหมโดยเฉพาะชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องไอ้ตรงนี้แหละเป็นปัจจัยทำลายทำลายความเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมแต่ละวันได้ดีนักมันเพลิดเพลินไงทีนี้กรณีแห่งการที่บว่า ถ้าหนึ่งการสังเกตเนี่ยเหมือนคำว่าทานกุศลเนี่ยกว่าจะให้เป็นเนี่ยให้เป็นจนถึงขนาดว่าอโลพาเริ่มเด่นขึ้นไหมเจตนากรรมที่กำลังทำแล้วเวลาใครควรเนี่ยคล่องไหมมันคล่องไหมมันเป็นไปกับชีวิตจริงไหม หรือว่ามันจะต้องฝืนเยอะเลยอ่ะไม่ใหม่มันต้องโอ้โหะดมอืดอยู่นั่นแหละใช่ไหมเช่นเราจะปลูกเล้าให้เกิดเนี่ยปลูกเล้าเจตนาทานให้เกิดตัวโยนิโสมนสิการที่มันจะไข่ควรยิ่พิจารณาต่างๆเลยเนี่ยที่จะปลุกเล้าให้ปลุกพาเจตนาเกิดให้มุนจ่าเจตนาเกิดให้อัปราเจตนาเกิดเนี่ยก็เห็นไหมไม่ง่ายแต่จริงๆการปลุกเล้าเนี่ยเข้าได้ผลไหมได้ผลพอมันได้ผลเบสเดตนี้ย ชำนาญ น, นี่อย่างถ้าไม่ชำนาญก็ทําให้คล่องทําให้คล่องแคล่วจิตนี่นะฝึกยากคืออกุศลใช่ไหมอกุศลมาคอยตัดรอนใช่ไหมถ้าเราเดินกุศลจิตได้อย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะว่ากุศลเนี่ยเขามีกําลังมากเพราะด้วยสัตว์โลกเนี่ยทํากุศลให้เกิดจริงๆไม่ค่อยได้อกุศลเกิดเป็นแถวกุศลก็มีโอกาสแทรกมาบ้างก็ชื่นใจหน่อยเนี่ยนะ นอกนั้นอกุศลก็เกิดต่อเป็นแท้วแล้วก็กุศลก็มาแทรกเป็นระหว่างเป็นระหว่างเงี้ยนะสัตว์โลกเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งอุปกรณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องคือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อกุศลเกิดได้สะดวกขึ้นเพราะความมานสิการความเข้าใจได้ถูกจนชํานาญ แต่นี้ไม่ต้องใช้ความพยายามหรือแรงเหวี่ยงแรงแร ง, แรงโน้มโน้มเยอะเลยนั่นแหละวันนั้นแหละจะคล่องวันที่ฝึกฝนจนชํานาญเหมือนว่ามีใครชมปุ๊บดีใจปุ๊บมีใครด่าปุ๊บโกรธปุ๊บมาเร็วงั้นนี่ยหรือไม่ต้องด่าเลยอะ <Yeah. S 1> เพียงนึกถึงเขาปุ๊บโกรธทันทีเลยนึกถึงปั๊บแล้วโลบทันทีเลยนั่นแหละให้นึกถึงวัตถุทานทั้งหลายแล้ว ขึ้นมาเป็นแผงเลยอ่ะนั่นแหละอย่างนั้นแหละกูสลเดินแรงแรงอย่างงั้นแหละทำได้ไหมสำคัญอย่างเดียวแล้วรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยมาเทนข้อมูลอย่างดีแล้วไม่ยอมฝึกไอ้ตรงนี้มาหนักใจเพราะมาไม่มีไม่เรียวไปคอยตีใช่ไหมเออถ้ามีไม่เรียวบอกเอา้าเดิน ไม่เดินตีเงี้ยนียอย่างเงี้ยหรืออย่างที่เขาฝึกกีฬากันเน่ยก็ต้องมีพวกโค้ชใช่ไหมพวกเทรนเนอร์เทรนเนอร์ทั้งหลายไปคอยตีวคอยอะไรเข้มทำไม่ง้นก็ต้องลงโทษต้องอะไรเงี้ยอย่างเราเนี่ยต้องอย่างนั้นแหละเอาพระพุทธเจ้านี่แหละนะเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระอริยสมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นแบบฉบับนั่นแหละเป็น เ ป, เป็นแรงเหวี่ยงแรงกระตุ้นให้เกิดถึงบอกถ้าไม่แนบแน่นในสารณาคมนะกุศลก็เดินอย่างเอือเอ่อยเอื่อยนานๆก็เกิด น, น, นานๆก็เกิดนี่นะพอหยุดฟังเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นอีกแล้วไม่ทำยังไงก็มนุษย์เป็นแบบนี้เรายโทรการมันมีมันโหดร้ายเหลือเกินเดี๋ยวนี้มันก็ชากใจสัตว์โลกไปแรงเหลือเกิน มองออกอย่างแต่เนี้ยว่าข้อมูลจริงๆที่จะฝึกเนี่ยมันมีแต่จะฝึกกันไหมล่ะพร้อมไหอยังเนี่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยถ้าไม่พร้อมวันนี้หมดเวลาพร้อมแล้วเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วยังไม่รู้ตัวหรือว่าหมดเวลาแล้วพวกเรามันนักโทษประหาร ตอนนี้กำลังรอคิวประหารอยู่ใช่ั้ยแล้วจะเดินเอาคอเข้าไปสู่หลักประหารอยู่แล้วนี่แล้วมัวทำอะไรอ้าห่วงอะไรตอนนี้ห่วงอะไรออลูกเศรษฐยังไม่จบอะห่วงไปสิใช่ไม้มห่วงไปสินักโทษ <laughs> นักโทษประหารด้ยนนี่นไม่ใช่นักโทษธรรมดานถูกตัดสินประหารนี่นยัง ถ, ถูกแล้วนะยมสุวรรถูกเป็นนักโทษประหารนี่นยังถูกตัดสินนี่ยังตัดสินตั้งแต่วันปฏิสันที่เขาตัดสินวันนั้นแหละตูมแล้วเขาตัดสินเรียบร้อยแลย้วนี่ น, นักโทษประหารจริงๆ เราเราไม่ได้ยินเสียงเขาประหารคนอื่นและในขณะเดียวกันเราไม่ได้ยิยนคําตัดสินพระศ า, าสดาก็เลยบอกว่าเขาตัดสินแล้วยังมึนๆกันอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมพระศ า, าสดาก็บอกว่าท่านทั้งหลายท่านเนี่ยคือนักโทษประหารท่านถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วนั่งมึนโอ้ใช่รเล่มองไม่ออกอีกใช่ไหม นี่ใช่รลอใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่นะฉะนั้นพระศ า, าสดาบอกเราว่าเราคือนักโทษปบบหาเมื่อรู้อย่างนี้ก็กิจใดที่ตาถาคตรทำกิจนั้นพระองค์ทำแล้วใช่ั้มแล้วกิจของเราลหละกิจในการรอบรู้ทุกลาสมูไทยทำมิโลดให้แจ้งโอบรมอมารีมัก โอ้โหยังอยู่ไกลเลยอ่ะยังพูดทานกันอยู่เลย <c oughs> อ่ะโอตายเลยแต่เนี้ยเราจะทันการไหมเนี่ยงานเนี้ยไปถึงวันถูกระหารขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยนะยอมนองจะทำยังไงดีนะโต๊ะการะหารมาจะทำยังไงดีกลัวแล้วนะยอมรับความจริงแล้ว แล้วแล้วแปลกเนี่ยตัดสินแล้วยื่นอุทธรณ์ไม่ได้เพราะระดับสารดีกาด้วยใช่ไหมไม่รู้จะไปยื่นที่ไหนยื่นสารโลกก็ไม่ได้แปลว่าเรียบร้อยแล้วแปลว่าตายแน่ใช่ไหมเอพักกันหน่อยดีไม่ได้เลยเวลาเยอะเลยเนี่ย